วิสัชนาธรรมกับท่านหลวงตานั่นลงศักดิ์ขีนาเะโยต่อใครคือผู้รู้แต่วันดีนะแล้วันดีเอามาเอาวุฒิมาเน่ยกว่านี้เริ่มเริ่มมานี่เริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆจาบจิตไปสกดจิตเนี่นนกกนนกกยต้องต้อ้องต้องต้องต้อต้องต้องต้เงต้อง้นงต้อเต้อ้องตออง ไอ ài, ้จิตใจตัเหลืองสวา่างสวัยของใสดีทั้งข้างนอกข้างหนแต่แต่ไปจับเบาสบายไว้ไปแอบจับเบาสบายไว้ภายในไอ้อันนี้ไม่ถูกต้องละละอย่ามีตัวไปจับเพราะถ้าไปจับปุ๊บ uk, มันจะมีมันจะดูดเอาอย่างอื่นเข้ามาได้หมดทุกความเครียดเรื่องล้วเพราะว่าไปแอบจับเบาสบายไว้ถ้าถ้าทิ้งไอ้ไอ้ไอไอจิตที่ไปจับเบาสบายเนี่ยมาอยู่กับความรู้สึกตัวในปัจจุบัน อยู่กับความรู้สึกตัวทิ้งทิ้งไปเลยความบสบายก็ไม่สนใจมันจะมันจะหลุดออกไปเลยหลุดจากไอ้สบายอีกไม่สนใจอ่ะอยู่กับความรู้สึกตัวอย่างเดียวสติอยู่กับสติอย่างเดียวเข้าใจไหมอ่ะเป็นอย่างงั like, ้นได้ปะเดาว่า แต่าอการปล่อยวางกอพยายามจังเลยครับเด็กเนี่ยก็แบบว่าเราคืออย่างอะไรจะเป็นยังไงก็ช่างอะไรอะไรก็ถูกหรือผิดอะไรพวกนี้ก็ปล่อยสบายก่อนอันนี้ถูกต้องแล้วไงมันดึงมันดึงไงมันดึ ง, งข้างในมันดึงเหลืองสวางสบ า, ายผองสายดีครับแต่มันไปจับเบาสบายไว้ตรง น, รงนี้ตรงนี้ผมยังไม่เข้าใจครับเนด็กเบาพอเราเราปล่อยวางก็สบายไงครับ สบายเลยเราไปอยู่กับความรู้สึกสบายสบายแต่เรามาอยู่กับความรู้สึกตัวในปัจจุบันว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เราไปอยู่กับใจที่สบายสบายไปอยู่กับอารมณ์อ่ะอารมณ์ที่สบายสบายเพลินเพลินใจสบายสบายเบาเบาเราปล่อยวางแล้วใจนจะสบายแต่สบายปุ๊บเราไปจับตรงสบายไปอยู่ตรงสบายสบายเรามาอยู่กับความรู้สึกตัวในปัจจุบันครับครับครับอ่านี่เข้าใจใช่พอพอเข้าใจครับ ว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นมันมันมันอยู่กับตัวสบายมากเกินเออใช่ใช่ใ ช, ใช่ต้องมาอยู่ความรู้สึกตัวในปัจจุบันครับครับเพราะว่าเราปัจจุบันเราเป็นอย่างไรหรือทําอะไรอะไรพวกนี้เราก็ต้องมาอยู่ตรงนี้ด้วยใช่ใช่แล้วก็เราก็อยู่ความรู้สึกตัวแล้วก็เราจะบริกรรมพุทโธพุทโธเ บ, บาๆไปด้วยก็ได้เพื่อให้เป็นหลักว่าเราฟารุ้งซ่านหรือไม่ฟุ้งซ่านคือเราไปเกาะนู่นเกาะนี่หรือเปล่าครับเราอยู่กับความรู้สึกตัวว่ากายทําอะไร ใจกับบริกรรมพุทโธอยู่แต่ไม่ได้ทำมาเพื่ออะไรเพื่อปล่อยวางอย่างเดียวครับเพื่อให้ให้กลับมาอยู่กับความรู้สึกตัวในปัจจุบันไม่ไปจับสบายเป็งั้น así. ถ้าเราไม่มาอยู่ความรู้สึกตัวว่ากายทําอะไรใจบริกรรมพุทโธอยู่เราจะไปจับแช่ตรบเบาสบายเลยออตัวนี้ที่เป็นโยครับตัวผมเนี่เป็นอยู่คือตัวจับตัวสบายใช่ใช่มันมันมันมันไม่ไปอยู่ความรู้สึกตัว แต่พอว่าเราเราปล่อยวางด้วยทํำด้วยความปล่อยวางด้วยแล้วอยู่กับรู้สึกตัวเนี่ยมันจะยิ่งเหนือกว่า น, นี้ขึ้นไปอีกคือมันเหนือมันเหนือสบายไปเป็นความความไม่มีอะไรใจเพราะไม่มีทุกข์ไม่มีเครียดอะไรมันจะเหนือกว่าสบายแต่ถ้าเราสบายเนี่ยเดี๋ยวมันมีความทุกข์ความเครียดเข้ามาคือพอจับสบายได้อยู่ปุ๊บพอมีเรื่องมากระทบปุ๊บมันจะเครียดมากเลยเพราะว่าเราพยายามรักษาความสบายอย่างอื่นก็เข้ามาได้ ว่าเรากันได้อยู่คพอไปจับไปอย่างหนึ่งเราเราพยายามจะรักษาตรงนี้ไว้พอไปกระทบอะไรมันจะมันจะระเบิดอารมณ์แรงอันไอ้โทษมันเยอะเนี่ยเราอย่าไปจับมันไปวางไปเราไอยู่กับความรู้สึกตัวนะครับครับอยู่ความรู้สึกตัวจา้ยอาจารย์ครับดูไราว่าเพราะวันนั้นเราได้คุยกันผมได้คุยเรต้องตาเกี่ยวกับเรื่องไอผู้รู้กับผู้ไม่รู้อ่ะ พอเสร็จจากนั้นผมไปผมก็กลับไปที่ ท, ที่ที่นอนที่จะนอนผมก็ไปเดิอนดอยู่หน่อยก็มาจับตรงนี้ได้ได้ว่าไอ้ธาตุขันห้าเนี่ยที่มีลูกเวทนาวิญญาสัญญาสังขารวิญญาเนี่ยครับห้าตัวผมก็เลยกลับมาเลี้ยงใหม่ มาเรียงว่าลูกมีก็คืออย่างนีนะ้คืออย่างนี้แล้วผมก็ไปถึงสังขารคือคือไม่เอาตามลำดับที่ ท, ที่ที่ท่องกันนะครับไปสังขารพอไปสังขารแล้วก็ไปถึงวิญญาณอพอวิญญาณแล้วถึงจะมาเวทนาพอมาเวทนาพับ ก, ก็ไปสัญญาเลยผมผมก็มาเรียงใหม่ คิดไปมาผมมนึกได้ตรงที่ว่าผมได้ประกาบหลุงปู่ว่านแล้วเรียนถามท่านว่าหลวงปู่คนเราสองคนเนี่ยเวลาไปทานอะไรก็ด้วยกันเนี่ยอาหารอย่างเดียวกันจานเดียวกันลคนนึงบอกว่าอร่อยอีกคนนึงบอกว่าไม่อร่อยผมก็เลยถามหลวงปู่ ทางก็พูดว่าใครเป็นคนมาบอกว่าไม่อร่อยมาบอกให้เรารู้ให้เรารู้ว่าไม่อร่อยอีกคนต้องบอกว่าใครไปบอกเขาว่าเขากินแล้วอร่อยทั้งๆที่อาหารอยู่จานเดียวกันหลวงปู่ท่านก็บอกว่าตอบว่าก็คือทาาทางนว่งนั้นนะทีนี้ผมก็มาสงสัยอยากจะถามหลวงตาวะ คำว่าผู้รู้นี่ก็คือตัวตัวนี้ใช่ไหมไม่ใช่ตัวเราก็คือธาตรู้นี่เหี่คือธาต์ใช่ไหมครับใช่แล้วก็ผู้ถูกรู้ตัวนี้แหละครับผู้ถูกรู้ก็คือขาน่าเนี่ยขาน่าไปพูดตัวถูกรู้ใช่ใช่ครับครับผมก็คิดว่ายอย่างนั้นครับผมลองมาถามหลวงตาดูแต่ทีนี้มัน ผมมันเลื่นผมมันนั่งเรียบเรียงดูแล้วเนี่ยปรากฏว่าทุกอย่างนี้ไม่อยู่ตัวนี้ทั้งนั้นเลยครับเนี่ยความค<อ>ิดความปรุงแต่งความฟุ้งซ่านความฟุ้งเฟ้อเหินละเมอหลงไหลอะไรอยู่ตัวนี้หมดใช่ใช่เรา<ม>ขาด น, นี่ขาดท่าเหมือนเราขาดท่าปรุงแต่งครับแต่ถ้ารุ่นปรุงแต่งไม่ได้คือคือเขาเป็น เป็นผู้รู้เฉยๆใช่ใช่เป็นธาตุเป็นธาตุรู้ที่ไม่ไม่มีกิจยาการใดๆพวกแต่งไม่ได้ในในขณะเดียวกันนั้นไม่ใช่ตัวเราเป็นผู้รู้นะครับไม่ใช่ตัวเราเป็นขันห้าครับตัวเราเป็นขันห้าร่างกายเป็นรูปครับไอความรู้สึกมันคิดติ่ตัวเรามีความรู้สึกนันคิดอะไรเลยทั้งหมดเนี่ยอันนี้มันเป็นไอส่วนนามขัน <So. S 2> ตัวร่างกายเป็นรูปขันม wow, the ันเป็นขันหน้าแล้วมันเอาขันหน้เนี่ยไปปรุงแต่งปรุงนู่นปรุงนี้ได้แต่ขาดรู้เนี่ยเขาได้แต่รู้เขาปรุงไม่ได้คิดไม่ได้ไม่มีกิยาการใดๆได้ได้แต่รู้เฉยๆได้แต่รู้ว่ามีกิยาการอะไรเกิดขึ้นแต่เขาไม่มีกิริยากรรมใดเลยก็ไม่มีไม่ปรากฏอะไรเลยเป็นความไม่มีตัวตนไม่มีอะไรสักอย่างอย่างนั้นตัวเรานี่เราเพียงแค่เป็นผู้ผู้ผู้รับรู้อาการเฉยๆอย่างนั้นหรือเปล่า ผู้ถูกผู้ถูกรู้คือขันหน้าคือก็ตัวเราเนี่ยเป็นผู้ถูกราตัวเราเนี่ยผู้ถูกรู้แต่ถ้าจริงๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยคือคือธาตรู้นั่นแหละแต่เป็นธาตรู้ที่ไม่ใช่ว่ามีตัวเป็นตัวเรานะไม่ใช่เราคือคือเป็นเป็นเป็นธาตรู้เป็นเราเนี่ยแต่เราเนี่ยคือคือเหมือนกับเป็นเป็นไงใช่ไงคือมันไมีตัวเราอแต่ก็คือว่าเหมือนกับเราเนี่ยเป็นธาตรู้นั้นแต่ไอ้ตัวเราที่เป็นในร่างกายและไอ้ความรู้สึกมีคิดอารมณ์เนี่ยอันนี้เป็นตัวสมมติไว้ก่อน เพราะว่าก่อนที่ขันห้ามจะดับเป็นตัวสมมติแต่เราจริงๆเนี่ยคือคือไอ้ธาตุรู้เียที่มารู้ตัวเราเนี่ยแล้วก็ไอ้ธาตุรู้เนี่ยมันไม่ดับเพราะมันเป็นธาตุมันไม่มีกิริยาการใดๆมันจึงไม่เกิดดับมันคือไม่มีอาการใดๆเลยนั้นถ้าเราเนี่ยไม่ไปยึดเอาไว้ไอ้ร่างกายคือร่างกายเราอะไรความรู้สึกมันคิดอารมณ์ที่มันแสดงกิริยาการได้ที่มันไหวตัวได้กระเพื่อมได้เนี่ยเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของของเราเนี่ย เราก็จะไม่ทุกข์อะไรเพราะว่าเราจะกลายไปเป็นธาตุรู้อัตโนมัติเลยถ้าเราไม่ ย, ยึดเอาขันห้าที่เป็นสังขารเนี่ยคือ ไ, ไอ้ตัวเรานี่แนี่ยไอ้ตัวเราเนี่ยไอ้ตัวเราที่มีความรู้สึกมันคิดอารมณ์ได้มันไม่ใช่ตัวเราครับเออมันเป็นขันห้าส่วนเราเนี่ยจะไม่ปรากฏอะไรเลยไม่มีตัวเราไม่มีตัวตนทั้งหมด ถ้าเราไม่เป็นยึดเอาไอ้ขันห้ามาเป็นตัวเราเราก็จะพ้นจากทุกเลยคือมันเกิ็สงสัยอยู่ตรงว่าที่ว่าไอ้ตัวเราไม่ใช่ตัวเราอืมนะครับทีนี้เราเนี่ยตัวเราเนี่ยมันมีขันห้าอยู่ อ, อย่างนั้นหรืปล่าครับตัวเราก็คื อ, คอไอ้นี่ไอ้ตัวเราเนี่ยคือขันห้าครับ แต่มันไม่ใช่เป็นตัวเราไอ้ตัวนี้เป็นตัวสมมุติไว้เดี๋ยวมันก็จะแตกดับเดี๋ยวมันก็ตายไงครับมันดับหมดนะมันจริงไม่ใช่เป็นตัวเราจริงๆรงจังๆมันไม่เที่ยงมันแก่มันเจ็บมันตายมันไอ้ส่วนไอ้นามขันมันก็เกิดเกิดดับดับมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์อะไรก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปได้เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปความคิดความจําอะไรที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวมันก็ดับไปมันใช่ใช่ใช่ันจึงไม่มีตัวตนคงที่ไงครับ มันจึงไม่ใช่เป็นตัวเราเพราะว่าคิดว่าทุกขังไอ้ิจังอัตดาก็ตัวนี้ใช่ไหมครับเนี่ยใช่ใช่เอาซักให้เข้าใจเลยให้กระจ่ายใช่ไปแค่ความจำเอาให้มรรถึงใจอ่ะก็ฟังมาเรื่อยครับเรื่องไอ้ตรงเนี้ยครับว่าพระท่านก็ตัวจูดตอนกดกดมนต์อาจารย์บรรทึกใจเลยนะเออเดี๋ยวเอาไปแค่ความจำเออยังไงมันติดตรงไหนใช่ก็ยังยังยังสงสัยอยู่อย่างนี้แหละครับว่าไอ้ตัวที่พอขันห้าเนี่ยคือ คือตัวที่ถูกรู้หรือผู้รู้อะไรเนี่ ย, ยพอพอเข้าใจแล้วครับตอนเนี้ยเป็นเรืถึงอย่างที่ว่าที่ผมบอกว่าไปถามหลวงปู่ท่านท่านบอกว่าธาตุึง บ, บางบางทีเราอาจจะเข้าใจว่าธาตุโอธาตุรู้นี่มันมั น, ม, นมันมีอยู่ทุกตัวหรือเปล่าอย่างเช่นลูกเนี่ยเวทนาอย่าง ความรู้สึกเกิดขึ้นเนี่ยมันก็มีธาตุของเขาใช่ไหมครับอย่างนั้นหรือเปล่าครับหรือรือรอวมทั้งหมดก็ เ, เรียกธาตุหมดนะเี๋เรียกธาตุกายก็เป็นาธาตุเวทนาธาตุสัญญาธาตุสังข า, ารธาตุวิญญาณธาตุแล้วก็ธาตุรู้เป็นธาตุหมดครับแต่ก็ไม่ไม่ไม่แยกกันอย่างนั้นหรือเ่ครับไม่แยกว่าเป็นเป็นธาตุของรูปของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ย ไม่แยกกันไม่แยกกันไม่ถึงไงหมายเพราะว่าอย่างเช่นอความความจําสัญญาความจํำนี่ครับอมันก็มีธาตุของความจำอยู่อย่างนั้นหรือเปล่าครับธาตุตัวนี้ไม่ได้หมายถึงก้อนธาตุนะครับไม่ได้แปลเป็นภาษาไทยธาตุไม่ได้ก้อนธาตุธาตุหมายถึงว่าคือคุณสมบัติของ ของเขาอย่างนั้นเนี่ยเขาถ้าจำหน้าที่อย่างนั้นะหรือหน้าที่ของเขาคครรับเนี่ยเรียกว่าธาตุธาตุนี่มนไม่ได้หมายถึงว่าก้อนธาตุาไม่ใช่ว่าธาตุหมาถึงเป็นปัญญไทยคือก้อนหรือเป็นเป็นแร่ธาตุอะไรอย่เงี้ยอันนี้มันเป็นเพียงแค่คือหน้าที่ของเขาเนี่ยเขาต้องทําอย่างนั้นเป็นหน้าที่เป็นคุตตบัตอ๋อครับครับผมพูดได้ว่าโอ้ธาตุรู้ของความจํานี่ก็มีอีกแบบหนึ่งอะไรพวกนั้นอหมใช่ใช่ใช่ หมายถึงทุกตัวเลยมีธาตุรู้หมดก็เป็นธาตุรู้หมดอย่างนั้นใช่ไหมครับ อ, อ๋อไม่ใช่อย่างไงทุกตัวมีธาตุรู้ใช่ไหมหมายก็ว่าเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยพับเนี่ยเขาจะมีธาตุรู้ของเขาอยู่ทุกตัวเลยเป็นมีมีธาตุรู้หมดใช่ไหมทุกตัวไหนตัวกายรูปเวทนาแต่ละอย่าเนียไม่ใช่ไม่ใช่คือเขาหน้าที่ของใครหน้าที่ของมันออ หน้าที่ของของาธาตุอะไรฮะหรือหรือหน้าที่ของขันเนี่ยกับหน้าที่ของาธาตุครับครับครับเดี๋ยวโอเอออจจะต้องอธิบายไลายยาวว่ามันจะทําให้งงหรือไม่งงหรือเจ้กระาจาักขึ้นเยอะผมเองก็พยายามจะจับตัวนี้อยากจะจับว่าให้ให้มันชัดขึ้นแล้วแล้วก็ จะลองดูว่ตอนแรกผมก็คิดว่าจะลงไปทําดูก่อนนะครับว่าถ้าเกิดตัวนี้ขึ้นเนีืยถ้าอะไรเป็นผู้รู้ถ้าเกิดอย่างนี้ขึ้นอะไรเป็นผู้รู้ผู้ถูกรู้คือใครอะไรเออก็ได้ดครับชัดๆครับอยากแก้จะรู้ข<ะ>ึ้นในใจของเราเองอต่นแรกก็คิดว่ า, วายอย่างนั้นครับะจะพยายามเอาไปอ่ลองเป็นการบ้านดู แล้วเดียวเจะกลับมาถามลวงตายครั้งถามใจเราเนี่ยนะมารู้อะไรแล้วใครเป็นผู้รู้ครับถามในใจเราเนี่ยถามผู้รู้ในใจเราเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นกิริยาการอะไรเกิดขึ้นแล้วใครเป็นผู้รู้ผู้รู้คือใครครับมีอะไรเกิดขึ้นก็ถามถามในจิตเราไม่ใช่ว่าเราไปใช้ความคิดค้นหาผู้รู้ไม่ได้เพราะว่าเราไม่มทางใช้ความคิดไปค้นหามันได้ให้ถามถามใจเราว่าเพราะมันมีกิริยาการเกิดขึ้นเนี่ยใครเป็นผู้รู้ว่ามีกิริยาการอย่างนี้เกิดขึ้น ครับครับแต่ทุกขณะปัจจุบันว่ามีอะไรเนี่ยใครรู้ว่าเราคิดใครรู้ว่าเรามีอารมณ์ใครรู้ว่าเราเราฟุ้งซ่านใครรู้ว่าเราสงบใครอ่ะรู้ความใจเราอ่ะแต่เราใช้ความคิดไปไปค้นหาปูรูคิดไม่ได้ยิง i, ่งจะฟุ้งซ่านครับครับครับเข้าใจแล้วครับแเนะ<อ>ข้าใจนะใช่าไหมคร่บเข้าใจแล้วครับเจอวา่าถ้าสมมติว่าเราคิดฟุ้งซ่านไปทา ง, งใดก็ตามแต่ว่าเราถามว่า ใครเป็นผู้รู้เใช่เอแต่ไม่ใช่ตัวเรานั่นแน่ม่อย่าไปอย่าไปอย่าไปสนใจอย่างนั้นไห้ถามในใจเราใครเป็นผู้รู้กันแน่ใครมาเกิดมาจากใจเราจะใช้ความจํามาว่าอันนี้มันใช่ตัวเราไหมไม่ใช่ตัวเราถามเลยแล้วใครเป็นผู้รู้เนี่ยใครรู้เราคิดเรานึกเราตึกเราตองเรามีอารมณ์มีอารมณ์อย่างนั้นมีอารมณ์อย่างนี้ใจเราฟุ้งซ่านไหมฟุ้งซ่านมีความสงบใครเป็นคนรู้เนี่ยใครเป็นคนรู้ แล้วกายเราเดินเนี่ยใครเป็นคนรู้กายเราพูดอยู่เนี่ยใครเป็นคนรู้กายเราคิดอยู่เนี่ยใครเป็นคนรู้กายเรามีอารมณ์อยู่เนี่ยใครเป็นคนรู้ตัวเรานี่เนี่ยกายเรือร่งกายจิตใจทั้งหมดน่ยกายรวมตัวเราคือรวมทั้งร่างกายจิตใจเนี่ยมันกําลังพูดอยู่กําลังนั่งอยู่กําลังคิดอยู่กําลังมีอารมณ์อยู่กําลังมีอารมณ์อย่างนั้นมีอารมณ์อย่างเนี้ใครเป็นคนรู้อ่ะใครเป็นคนรู้ใครมันเป็นผู้รู้จริงๆนะไอ้เป็นผู้รู้จะออกมาจากใจอย่าเป็นผู้คิด อย่าใช้ความคิดหาไปแต่ใช้ความคิดหาไปองเงมันจะมันจะเตลิดหลงทางไปเรื่อยเลยให้เป็นผู้รู้เลยไปอะไรเกิดขึ้นให้เป็นผู้รู้ไปเลยอยู่กับผู้รู้นี่แหละอ ะ, อ, ans, อะไรเกิดขึ้นก้อยรู้อะไรเกิดขึ้นก้อยรู้อะไรเกิดขึ้นก้อยรู้ในปัจจุบนันทุกขณะปัจจุบันเนี่ยแล้วก็ถามใจตัวเองว่าใคระเป็นผู้รู้ใครเป็นผู้รู้อ่าอย่าแง่ไหะให้มาลงแก่ใจเราอย่าใช้ความจําความคิดมาช่วย ให้เป็นผู้รู้จริงๆมันมีอะไรเกิดขึ้นร่างกายจิตใจเราเป็นยังไงให้รู้ทุกขณะปัจจุบันร่างกายจิตใจเป็นยังไงให้รู้ให้เป็นผู้รู้ให้เป็นผู้รู้ไปเรื่อยอย่าไปเป็นผู้คิดนะถ้าเป็นผู้คิดมันจะไม่เป็นผู้รู้คือให้ให้รู้ว่าเป็นให้รู้ความคิดอย่าไปเป็นผู้คิดให้รู้คิดเข้าใจไหมครับครับบแล้วถามใจเราเนี่ยะเมื่อเป็นผู้รู้แล้วก็ถามใจว่าใครเป็นผู้รู้ใครเป็นผู้รู้ ได้อย่างดวงตาครับผม ว, ว่าบางทีจิตเราเนี่ยบางทีชอบคิดกระเลือดไปเรื่อยไปไปทน่นไปนี่บางครั้งนี่ก็บอกว่าวันเคยคิดว่ารู้ที่วันนี้จิตเราจะไปไหนเวลาบอกให้เขาไปเนี่ยอาไปจะไปไหนไปเลยก็ไม่ไปครับคิดไปไปเป็นการบังคับเขาว่าครับไม่กันอย่างนี้เนี่ยพอเราเรู้แล้วไง พอเรารู้ปุ๊บเขาก็เลยไม่ไปอีกตอนแรกเราไม่รู้เขาก็ไปเรื่อยไงซึ่งบอกว่าอย่าทิ้งรู้ไงอีกตอนเราเราทิ้งรู้ตอนแรกเนี่ยเขาก็ไปเรื่อยไปพอเรารู้แล้วเนี่ยเรารู้แล้วว่าเอ้าเขาคิดไปเรื่อยเราก็เลยว่าเอ้าพอเรารู้แล้วอาจจะดูที่จะไปไหนอ่ไปเขาก็เลยไม่ไปเพราะว่าเรารู้แล้วไงอย่าทิ้งรู้ไงเขงบอกว่าอย่าทิ้งรู้กลับไปบ้านเนี่ยอย่าทิ้งรู้ตลอดเวลาอย่าทิ้งรู้เพราะว่าทิ้งรู้ต่อเรื่อไปเรื่อยมันคิดอะไรก็เอ้า ต้องรู้อะอ้าเองคิดเอาไปเลยคิดไปเลยคิดไปเลยให้รู้อย่างนี่เลยไปถ้าถ้าเราอยู่เฉยๆบางทีในจิตเราจะไปนะไปโน่นไปดี่ไปเลยแต่เวลาบางทีบอกบอกจะเอาลองไปซิวันนี้จะไปไหนเอาลองดูทีเนี้ยเขาก็ไม่ไปเออโแสดงว่าเรารู้ว่าเขาจะไปเลยเขาไม่ไป่้ยตูกต้อง ทิงอย่าทิ้งรู้ไงครับไม่ไม่ไม่ใช่เราบังคับเขาใช่ไหมอย่างเงี้ยไม่ใช่เราอยู่กับคนเราลู้แล้วไงอันนี้เราลู่แล้วอย่าทิ้งผู้รู้ที่ลุงปูรีมาที่เนี้่มานั่งอยู่ตรงนี้ตอนที่นับตรงที่เราครับตีลุงตานั่งอนี่ยตีลุงปูรีมากั็ถามลุปูรีว่าอยู่กับอะไรอยู่กับผู้รู้คือไม่ทิ้งรู้เลยมันคิดกับคิดแต่ชัดไป็ผู้รู้ก็แล้วกันครับมันก็มันจะคิดไปคิดเอาอีกคิดไปอะไม่บังคับ ไม่กระเข้าให้ไม่คิดด้วยแต่ฉันอยู่กับรู้ไอจะคิดอะไรฉันรู้หมดไอจะคิดอะไรฉันก็รู้อย่าทิ้งรู้กันแล้วกันหรือพูดดูนัตโลว่าอยู่กับรู้อยู่กับรู้เนี่ยอย่าทิ้งรู้มันคิดก็ได้แต่เราอย่าทิ้งรู้ให้อยู่กับรู้ต้องรู้เอาไคิดกินเลยก็จะรู้สิอย่าทิ้งรู้ไอรู้เนี่ยที่บอกนะที่บอกว่าเอาตอนแรกไม่รู้มันก็คิดโน่คิดนี่จบเนี่ยก็คิดโน่นคิดนี้ต่อ อ่ะพอรู้ขึ้นมาอ่ะอาคิดเล ย, ยจะดูดีว่าจะเอจะคิดไปไหนอ่ะอ่ะมีแรงคิดเพียงใดไปอแนนรู้แล้วนะคือรู้คือรู้สึกัวขึ้นมาแล้วไอ้นี้เกี่ยวก็ผู้รู้มองไหมครับผู้รู้กับผู้ถูกรู้ครับก็นี่เน่ยคือผู้รู้แล้วไอตอนแรกเนี่ยไม่รู้คือหลงคิดไปเรือ่อยพอเรารู้ขึ้นมาแล้วอ่ ะ, อะนเอาไหนแนนนี่ยคิดเยอะลือเกินไหนเอาเอาเอาคิดเลยอ่ะ แต่ลึกๆดูคิดคุณคิดเองเอาไม่ห้ามเลยเอาอยากคิดคิดเลยเอาก็ไปคิดที่อีกนี่เป็นผู้รู้แล้วไงพอเป็นผู้รู้แล้วก็ไม่ได้ห้ามเลยนะเอาอยากจะคิดก็คิดแต่ต้องต้องคิดต่อหน้าชั้นนี่แหละเอ็คิดได้แต่ต้องคิดต่อหน้าต่อตานี่ยแหละเอีงเป็นผู้รู้แล้วอย่าให้เขาเขาคิดไปเตลิดไปฝ่ายเดียวโดยที่ไม่มีผู้รู้มันจะคิดได้เอาิดเอ็งคิดได้แต่เอ็ต้องคิดต่อหน้าต่อตาค้านี่ยแหละอย่างเงี้ยเป็นผู้รู้อย่าทิ้งผู้รู้อย่างเงี้ยเสมอไป อันนี้เป็นผู้ผมเคยคุยกับใครกันผมไปจำไม่ไร้เบอกว่าเราไปสะกดเขาไม่ตะโกดคือพยายามห้ามให้คิดแต่นี้เราให้เขาคิดไปให้เขาคิดไอ้ตะกดคือเราไปเราไปห้ามไม่ให้คิดพยายามไม่ให้คิดอย่างที่ที่ที่โยพี่เก็บอะคือห้ามไม่ให้เขาคิดอันนี้เราบอกให้เขาคิดด้วยบอกให้เขาคิดคิดไปเลยเออจะดูด้วยมันคิดไปไหนจะไปถึงไหนจะไปยังไงเราให้เขาคิดเราไม่ได้ไปสะกด สะกดคือโยพิเขมเนี่ยจะพยายามทำให้มันไม่คิดถึงลูกพยายามให้ไม่คิดถึงนู้พยายามให้ยายามไม่คิดถึงนี่อันเนี้ยผิดก็เนี้สะกดจริงๆคือเราเนี่ยบอกให้เขาคิดตัดด้วยเราไม่ได้จะกดคือให้คิดเลยคิดคิดแต่ต้องคิดต่อหน้าต่อตาเราอย่าอย่าให้ให้ใหคิดไปโดยที่ไม่มีเราเราเป็นผู้รู้เข้าใจไหม อยา่าอยา่อย า, ยาทิ้งรู้นะอย่าทิ้งผู้รู้ครั บ, รบเหมือนกับว่าไงอะไรนะเหมือนกับเราเป็นผู้ควบคุมงานอะไรสักอย่างนึงเนี่ยแล้วเขาก็ต้องทํางานต่อหน้าต่อ ต, อตาเราอย่าเราจะให้เขาทางานไปโดยที่เราเราไม่รู้ว่าเขาอยู่หรือไม่อยู่อย่างเนี้ยเราไม่ได้ว่าสะกดคือไม่ให้เขาไม่ให้มีเขาเลยให้เขาเขายับไม่ได้เลย แต่คุณจะคิดได้หรือคุณจะทํางานอะไรได้แต่ต้องทําต่อหน้าต่อตาฉันนะถกันจะได้รู้ว่าเนี่ยจะต้องจ่ายบินยังไงจ่ายอะไรยังไงแต่ต้องทําต่อหน้าต่อตาฉันอย่างเงี้ยอันนี้อย่าทิ้งรู้คือรู้ตลอดหรือเหมือนกับเออสมมุติอ่ะเออสมมุติผู้จัดการธนาคารอยู่นั่งอยู่ข้างหลังนั่งอยู่ข้างหลังแล้วพนักงานจ่ายเงินอยู่พนักงานจ่ายเงินอยู่หน้าหน้าหน้าเคาน์เตอร์เนี่ย แล้วผู้จัดการธนาคารอยู่ข้างหลังเนี่ยแล้วพนักงานธนาคารจ่ายจ่ายหน้าเคาน์เตอร์อยู่ข้างหลังเนี่ยก็ถ้าผู้จัดการ ย, ยังยังรู้อยู่ตลอดเวลาว่าลูกน้องจ่ายเงินรับเงินยังไงเนี่ยคอยตรวจสอบคอยดูแลเนี่ยก็จะไม่เกิดไม่เกิดการคอร์รัปชันอ่ะคือไม่ทิ้งรู้嘛แต่ถ้าผู้จัดการไปเที่ยวซะปล่อยลูกน้องทํางานตามเพลใจเลยก็มีโอกาสอาจจะถูกอยักยอกเงินไปได้อาจจะเกิดความเสียหายได้ อันทิ有有 e. it, ้งจะทิ้งรู้อคือผู้จัดการเนี่ยต้องรู้อยู่เราเปรียบเหมือนผู้จัดการเนี่ยต้องรู้อยู่จะทิ้งรู้ถ้าทิ้งรู้คือผู้จัดการไปเที่ยวไม่รู้แล้วปล่อยไม่คิดอะไรก็คิดไปคือคิดคือคือการที่มันคิดไปโดยที่ไม่มีผู้จัดการดูแลคือก็คือลูกน้องเนี่ยที่น่าเคาน์เตอร์กระจ่ายเงินกันจ่ายไม่จ่ายยังไงไม่รู้เรื่องเลยไม่ใช่ว่ารู้แล้วทำไปไปฆ่าลูกน้องหมดไม่ใช่คือต้องมันจะคิดได้แต่ต้องมีผู้รู้คอยดูแลอยู่ เปียบเียบเงี้ยพอเข้าใจไหมครับครบเออเข้าใจไหมอ่าก่อนทก่อนให้เข้าใจชัดเจนของผู้อ่านของผู้ อ, อ่านนั่นแหละก็ก็ชั ด, ชดแล้วครับอจะทําอะไรก็ทำให้เรารู้ตลอดคือเป็นผู้รู้อยตลอดจะคิดไปยังไงก็ตามไปเรื่องอะไรก็ตามแต่ก็ถ้ามัน ดีหรือไม่ดีก็ต้องรู้ถูกต้องถูกต้องจะชั่วร้ายยังไงก็ต้องรู้แบบนั้นได้ให้ก็รู้ไม่ได้เพื่อรู้เพื่ออะไรให้แค่รู้เฉยครับอย่าทิ้งรู้คือเพื่อไม่ให้ทิ้งรู้แค่นั้นเนี่ยไม่ใช่ว่ารู้แล้วต้องเป็นยังไงแต่โยมโยมพี่เข็มเนี่ยคือคือมันจะต้องเป็นยังไงไปหมายไว้คือแค่ได้แค่ว่าผู้รู้หรือวิ้จการเนี่ยอย่าทิ้งไปแค่นั้นแหละพนักงานจะทําอะไรจะยักยอกเงินอะไรเพื่อเกงใจละ ขอมีผู้รู้ไว้อย่างเดียวคือแล้วรู้ละรู้เฉยๆไอ้รู้เฉยๆก็คือขอให้มีมีผู้จัดการเป็นผู้รู้ไว้เนี่ยเนี่ะคือรู้เฉยๆไม่ใช่ไปรู้ทำใจเฉยๆนะคือรู้เฉยๆเนี่ยคำว่ารู้เฉยๆไม่ถึงว่าขอให้มีผู้รู้ไว้อย่างเดียวหมายถึงว่ามีผู้จัดการเป็นไม้กันหมาไว้เป็นมีผู้รู้เป็นไม้กันหมาไว้ถ้ามีผู้จัดการอยู่เนี่ยก็เกรงใจทําอะไรไม่ได้จะยอกยอกเงินเป็นอะไรก็ไม่ก็ไม่ได้ทั้งหมด ว่ามีผูติการคอยนั่งดูอยู่ก็แค่ขอให้ผู้จการเนี่ยได้อยู่รู้ดูเห็นแค่นั้นแหละไม่ใช่ว่าดูแล้วไปทําอะไรนะขอให้อยู่ดูแค่นั้นแหละให้รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นให้รู้คิดอะไรขอให้รู้แค่นั้นแหละไม่ใช่ว่ารู้แล้วต้องไปทําอะไรไปฆ่าเขาไปทําอะไรให้มันตายให้มันหายหมดอะไรได้เนี่ยแต่โยมโยมโยมพี่เขียนว่าทําผิดคาดหมายผิดคือจะทํำให้นุ่นอันนี้ให้เป็นอย่างนี้ให้เป็นอย่างนั้นให้มีคิดนู่นให้มีคิดนี้ใหามันนิ่งๆอะไรบ้าไปหมดเลยอย่างเงี้ยไม่ใช่ ไม่ขอให้ได้แค่รู้อย่าให้ผู้รู้หายตาครับถ้าครับผมว่าเรารู้ไปแล้วเนี่ยเราเห็นแล้วเราชัดเจนแล้วเราก็ไปปรุงแต่งต่อปรุงแต่งต่อก็ขอให้รู้อ่ะอย่าทิ้งรู้ก็แล้วกันให้รู้ว่าเราปรุงแต่งใช่ใช่แล้วอยู่กับผู้รู้ครับอยู่กับผู้รู้อย่างนั้นแหะอย่าทิ้งรู้จะอยู่กับผู้รู้คืออย่าทิ้งรู้ไปจักแต่ว่ารู้ไว้เราจะปรุงแต่งไงขอให้รู้อย่าไปฆ่าเขา ไม่รู้ว่าเรามีคิดปรุงแต่งไปใช่ใช่ซึ่งอาจจะใช่หรือไม่ใช่ยังไม่รู้แต่ว่าเราคิดปรุงแต่งไปก่อนแล้วเออเอขอให้รู้ก็แล้วกันจะคิดอะไรขอให้รู้ครับไม่ใช่ว่ารู้ไปฆ่าเขาหรือว่ารู้ให้ไปไปห้ามหรืออะไรยังไงครับที่หลวงพุทธาว่ารู้ซื่อๆนะครูซื่อๆครูซื่อๆหลวงพุทาได้เข้าไปใส่ใจครูซื่อๆครูซื่อๆเนี่ยคืออย่างที่ก็เป็นเนี่ยนะรู้อย่างที่ก็เป็นเนี่ยครับคือเขาจะปรุงแต่งไงก็รู้อย่างที่ก็เป็นเนี่ย อย่าทิ้งอย่าทิ้งรู้ต้องรู้เขาจะคิดไงต้องรู้จะทำอะไรต้องรู้จะพูดอะไรต้องรู้จะทำอะไรต้องรู้จะพูดอะไรต้องรู้จะคิดอะไรต้องรู้อย่าทิ้งรู้แต่รู้แล้วไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเพื่อให้ปเป็นอะไรไม่ใช่อะอไรทโยมโยมโยมใช่ไหโยมโ ย, ยมพี่เข็มอะฟังตรงนี้รับเข้าใจชดัดเจนไหมเข้าใจชัดค่ะอ่อ่าอพูดหนดิพูดใหม่ดิพูดหนพูดไหน ว่ามันชัดจริงก็เปล่าดูสิก็ทําอะไรให้รู้สึกตัวแล้วก็ไม่ไม่ไปบังคับว่าไม่ให้คิดมันจะคิดตั้นหรือคิดยาวก็รู้สึกตัวอ่าไปลองปฏิบัตก่อนนะค่ะค่ะอะี่มีอะไรถามไหมฮะเฮ้ยไม่เห็นคุยปุดมานีี้จะจะกลับพวงนี้อะไยังไม่รู้ยังไม่ได้พูดคุยอะไรเลยอ่ะอ่า อาจเออเจนถามอะไรบ้างเนี่นอออยกนนนะอยกจะได้ฟังบ้างว่ามาอยู่ปฏิบัติการตั้งนานแล้วเป็นยังไงก้าวหน้าพุทธศาสนาเปังไงเป็นยังไงบ้างเอเเอาพูดเลยดิมาอยู่แล้วการประพฤติปฏิบัติก้าวหน้ายัางไงหลายวันนะก็ยังยังตีความหมายของ คำว่ารู้เนี่ยแหละครับก็พยายามที่จะยกตัวอย่างให้มันให้มันลง ใ, ใจๆเใื่อใหเข้าใจง่ายนะครับผมอ uh huh. ก็พยายามคิดด้วยรู้ถ้าเราเปรียบเทียบเหมือนเหมือนเลดามีเครื่องบินมามันก็รู้ว่ามีเครื่องบินมาแต่มันไม่สามารถไปแทรกแซงอะไรได้อคือกําลังจะหากูซโลโบายมากระแทกใจตัวเองนะครับให้มันลงครับบางทีเขาคิดว่ารู้เปรียบเป็น กรรมาการนักมวยได้ไหมมันไปแฝกแปลงเขาไม่ได้แต่มันรู้อย่างเดียวหลังจที่ฟังอาจารย์มาเนี่ยนะกตัวรู้ตัวเนี้ครับอย่างของผมเนี่ยบางทีมันจะมีการไปเพ่งรู้เพ่งเพ่งรู้นะครับแล้วก็เพลินไปกับมันครับไม่ทันครับรู้ไม่ทันก็เลยจะหาอะไรที่มันกระแทกกระแทกใจเลย ไดรู้รู้สึกขึ้นมาไม่ใช่อย่าไม่เข้าใจแด่ว่ายัเข้าใจผิดยังเข้าใจผิดครับรู้นี่มันคิดไม่ได้ะของเราเนี่ยมันคิดไปเรื่อยมันไม่ใช่รู้คือรู้เนี่ยมันคิดไม่ได้มันมันไม่มีกิริยาการใดๆเลยแล้วกูมันจะมีกิยาการภายในใจวัยวัไวัไว้ยวั ให้ใจได้รู้แต่ใจเนี่ยมันไม่ใช่รู้ใจเนี่ยมันเป็นผู้รู้แต่มันไม่ได้คิดแต่จิตเนี่ยมันก็คิดคิดคคิดคิดก็มันเนี่ยคิดตร่นคิดนี่คิดนั่นคิดนี่ 85, kind of well. แต่ใจเนี่ยไม่ไหวไปตามจิตใจได้แต่รู้ของแต่ของเชนนี่คือใช้คิดไปเรื่อยคิดหาวิธีไปเรื่อยไม่ใช่นะนั่นก็ใจผิดรู้เนี่ยคือเราเนี่ยไม่ได้เริ่มต้นก่อนเลยเราไม่แสดงแอคชั่นก่อนเลยแต่จิตเขาแสดงแอคชั่นแล้วใจก็ได้แต่รู้ได้แต่รู้คือ ใจเนี่ยไม่มีอาการรู้ด้วยคือได้แต่ว่ามีแต่จิตเนี่ยแสดงอาการคิดอึดอัดอยู่ในใจที่ไม่มีอะไรเลยใจเนี่ยไม่มีกิริยาอาการใดๆทั้งหมดได้แต่จิตเข้าไหวๆไหวๆไหวๆทุกคิดทุกอาการผู้รู้ก็ไม่มีอาการด้วยไม่มีตัวตนไม่มีว่ามีเราไปคอยรู้ไว้ไม่ใช่ยังไม่ชัดเจนนะเราเห็นแล้วยัไม่ถึงใจ ครับคือยังคิดอยู่ไงยังไม่เป็นรู้ยังเป็นคิดถ้าเป็นคิดมันก็ไม่เป็นรู네้พอารู้รู้มันรู้คิดไงแต่พอเราไปเป็นคิดปุ๊บมันก็ไม่เป็นรู้แหะรู้รมันก็รู้คิดนี่แหละไม่รู้อะไรรู้คิดแต่พอเราไปเป็นคิดปุ๊บมันก็จะไม่เป็นรู้ไงมันยังยากสรับผมอยู่ <mm> ยังยากอยู่ครับผม ก็เราคิดมันก็เลยมันก็เลยเป็นคิดอยู่มันก็ต้องยาวเพเป็นคิดอยู่ยังไม่เป็นรู้พราะเรายังเป็นคิดอยู่นะเมื่อ ก, กี้เราก็บอกเองว่าเหมือนจานเรดาร์แล้วก็คิดมันก็เหมือนกับไ อ, ไอเครื่องบินที่บินไปมาความคิดมันเคลื่อนไหวด้วยแต่จานเรดาร์มันไม่เคลื่อนไหวอ๋อยิ่งคิดมันก็ยิ่งเป็นคิดจนไม่เป็นรู้แล้วกันเนี้ยคิดยาวเลยเขาเนี่ย ก็ S <S ดีอยู่แล้วไม่น่าทองไหม้กผู้รู้เนี่ยมันคิดไม่ได้ผู้รู้ไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีกิริยาไม่มีกิริยาการใดๆผู้รู้หรือธาตุรู้เนี่ยเขาไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีกิริยาการใดๆเลยผู้รู้เนี่ยมีชื่ออีกอย่างว่าใจหรือจิต ด, ดังเดิมแท้ๆหรืออมตะธาตุหรือนิพพานธาตุหรือธรรมธาตุหรือพุทธ หรือพุโทโธคือชื่อเขาเยอะมากเลยเขาไม่มีกิริยาการใดๆหรือไม่มีรูปร่างไม่มีอะไรเลยส่วนส่วนที่ในในใจเราเนี่ยมันคิดมันคิดนึกติดตอมมีความรู้สึกมันคิดอารมณ์มีอาการอะไรต่างๆเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งเป็นสิ่งที่ไวไวๆไวๆ ไ, ไอ้ส่วนผู้รู้หรือใจเนี่ยก็ได้แต่รู้แต่ใจเนี่ยมันไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างอะไรเลยแต่มีแต่สิ่งที่ไ ว, ไวในใจแต่ใจเนี่ย ไม่มีกิริยาการมันประคอยรู้จิตไว้แล้วมันคิดไม่ได้โดยใจอ่ะมันได้แต่รู้แต่ของเจเนี่ยมันคิดไปเรื่อยๆพอเป็นคิดไปไหลมันก็ไม่เป็นรู้แล้วตอนเนี้ยรู้ก็รู้อะไรก็รู้คิดนี่แน่รู้จิตที่คิดนี่แน่เพรารู้เนี่ยมันไม่ปรากฏอาการใดๆเลยแล้วเราไม่ใช่ว่าไปเริ่มต้นมีกิริยาการมาก่อนจิตเนี่ยมันจะแสดงกิริยาการขึ้นมาก่อนแล้วก็ผู้รู้มันก็ต้องรู้ตามหลังไล ไอ้จิตที่แสดงกิริยาการรู้ตามหลังไ็เป็นเหมือนว่ามีมีกิริยาการไปตามรู้คือมันต้องมีอาการเกิดขึ้นมาก่อนแล้วได้รู้ไอ้รู้เนี่ยมันมันก็รู้ไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นมาให้รู้ด้วยเนี่ยมันไม่มีว่าตัวเราเนี่ยไปคิดหาเหตุผลหรือว่าตัวเราไปพยายามรู้คือมันต้องมีกิริยาการโผล่ขึ้นมาแล้วก็มันจะได้รู้ผู้รู้เนี่ยไม่ไม่เคลื่อนไหวไม่ปรากฏอะไรเลยเหมือนอย่างเนี้ยมีรูปโผล่มาปุ๊บตาก็เลยเห็นไอ้รูปเนี่ยเป็นสิ่งที่เคลื่อนไหวเป็นสิ่งที่ปรากฏแต่ตาเนี่ย มันไม่ได้มีการเคลื่อนไหวไม่ได้ปรากฏอะไรมันก็คือเวลาเราเห็นรูปเนี่ยเราจะไม่เห็นตามันจะไม่ปรากฏตามันจะเห็นแต่รูปคือมีแต่รูปมาพอรูปมาโผล่มาปุ๊บตาก็เลยเห็นเห็นอะไรก็เห็นรูปที่มาปรากฏเดี๋ยวนั้นนั่นก็เรียกว่าปัจจุบันธรรมคือเห็นรูปที่มาปรากฏเดี๋ยวนั้นเลยเรียกว่าปัจจุบันธรรมพอมีเสียงปุ๊บมันก็เลยได้ยินเสียงไอ้ได้ขณะที่ได้ยินเสียงนั้นเขาเลยเรียกว่าปัจจุบันธรรมคือเป็นปัจจุบันที่เสียงมาปุ๊บก็ได้ยินปั๊บเลยแต่ เวลาได้ยินเสียงนะมันก็ได้ยินแต่เสียงมันไม่เคยมาถึงมันมานึกถึงตัวเองผู้ได้ยินเวลาเห็นรูปมันก็เห็นแต่รูปไม่เคยมานึกถึงตัวเองผู้เห็นเวลาพอมีความคิดความนึกความตึกความตองมีกิริยาการโผล่ขึ้นมาปุ๊บมันก็เลยรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นแต่ผู้รู้เนี่ยมันไม่เคยมานึกว่ามันมีตัวหรือเปล่ามันได้แต่รู้สิ่งที่มันปรากฏขึ้นในขณะนั้นแล้วแล้วผู้รู้เนี่ยมันไม่มันไม่ได้คิดไอ้ความคิดคือมันคิดปุ๊บมันก็มีเหมือนกับรูปมาเห็นเลย พอคิดปุ๊บก็มีเสียงมีเหมือนเสียงมาได้ยินปั๊บพอคิดปุ๊บก็เลยรู้เลยว่ามีความคิดเกิดขึ้นคือมันเป็นปัจจุบันธรรมอ่ะคือแต่ถ้าเราไปนั่งคิดหาเหตุผลอย่างเงี้ยอันนี้มันหลงมันไม่ใช่เป็นรู้เราเห็นแล้วยังไม่ลงแก่ใจงยังงงก็ไม่เข้าใจเอาให้ใจอิงมาเีื่ังฟังๆเขาีิงงไหมเนี่ยฟังไปฟังมางงไหมคงงค่ะเพราะว่ามันเหมือนลึกซึ้งเข้าไป ลึกๆเนี่ยแต่โยไม่ได้แบบมีอะไรที่ลึกๆแบบนั้นอยู่กับแบบว่าตัวเองเอวันนี้แบบทําอะไรไปคิดไปเอออยู่ปัจจุบันนะจิตทํากับข้าวนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่คิดไปเรื่อยๆอุ้ยมาอยู่กับตรงนี้เหมือนเดินจงกรมค่ะที่จิตเราฟุ้งคิดไปอะไรอย่างเงี้ยเออมาเดินอยู่กับเท้าวความรู้สึกกับเท้าที่เราเดินไปอย่างเงี้ถูกต้องหมคะพระอาจารย์ก็ถูกต้องแล้ววันนี้เนี่ยก็คือนี่ก็รู้สึกตัวนี่ไง เพราะมันมันคิดฟุ่งไปก็กลับมาอยู่ความรู้สึกตัวค่ะคือเราเราไอ้มันมันคิดพุ่งอะไรไปก็กลับมาอยู่ความรู้สึกตัวในปัจจุบันน่ะถูกต้องแล้วพอเรารู้สึกตัวปลุกต่อไปมันก็มันจะคิดอะไรเราก็ไม่ได้สนใจแล้วก็รู้สึกตัวเรื่อยไปอันนี้ถูกต้องแล้วค่ะก็เหมือนแบบจริงๆแล้วจําเป็นต้องต้องท่องพุทโธไหมคะหมายถึงว่าตอนเรารู้สึกตัวแบบเวลาทําอะไรรู้สึกตัว คือเราคิดฟุ้งไปเรารู้สึกตัวมาเอ้ยมันอยู่กับจันนะเราทํากับข้าวอยู่นะมันอยู่กับผัดกับข้าวแต่ว่าในใจเราไม่ได้ท่องพุทโธหรอกค่ะแต่ว่ามันรู้สึกตัวเราว่าเออเราเดึงสติกลับมาอะไรเงี้ยสมมติว่าเราจะฟุ้งไปเราดึงสติกลับมาเอ้ยเราทํากับป on, on, ัจจุบันนัที่เราทําอยู่อะไรเงี้ยมันจะเป็นต้องท่องพุทโธไหมคะว่าเป็นกุศโลบายที่จะต้องเราต้องท่องพุทโธเี่ยไม่จะเป็นทุกคนอย่างของกรณีของเสอิ่งไม่ต้องค่ะของกรณีไม่ต้องคือ เอาซะเองนี่มันเหมือนคือมันหลงแล้วรู้สึกตัวเลยหลงแล้วรู้สึกตัวหลงรู้สึกตัวแล้วเราก็อยู่กับความรู้สึกตัวอย่างนี้แหละพอรู้สึกตัวแล้วมันก็จะไม่หลงคก็ถูกต้องแล้วเดี๋ยที่เอาความรู้สึกตัวนั่นแหละไอ้ความรู้สึกตัวเนี่ยเขาเรียกว่าพุทโธค่ะคือความมีสติรู้สึกตัวอยู่ในปัจจุบันเรียกว่าพุทโธแล้วแต่ถ้าเราขาดสติมีขาดสติไม่มีความรู้สึกตัวในปัจจุบันเนี่ยอันนี้เรียกว่าหลงในี้คําบริกรรมพุทโธพุทโธเนี่ยมันแปลจริงๆแปลว่ามีความรู้สึกตัวในปัจจุบ แต่ถ้าเรารู้สึกตัวในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นพุโทโธแล้วแต่อย่างบางทีที่เรานั่งสมาธิเนี่ยมันก็เหมือนว่าเรารู้สึกว่าเออมันไม่ไปถึงไหนแต่ก็เออนั่งไปมองจิตใบไหนคิดไปนู่นไป น, นี่จิตมุ่งสมว่าน้อมไปถึงสมว่าเราไปอินเดียมาแล้วก็น้องไปถึงพระพุทธเจ้าที่เราเออนั่งต้นโพน้อมไปถึงพระพุทธเจ้าที่แบบเออนั่งอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยมันมันเป็นการถูกต้องไหมคะที่เราแบบว่า ไม่นิ่งเฉยๆที่ปล่อยจิตวางแต่ว่าเราไม่ใช่การที่เราไปทำอย่างนี้เฉยปล่อยจิตวางปล่อยว่างงั้นนะผิดอันนี้ผิดไอ้ที่เราน้อมมาถูกต้องแล้วมันถูกต้องอันเนี้ยมันน้อมในความศรัทธาค่ะมเราน้อมคำพุดประทังประสงค์จิตมันก็จะไม่ฟุ้งซ่านไปที่อื่นเราเราเราน้อมได้ศรัทธาศึกษพูดประทระสงค์เดี๋ยแล้วเราใจเราก็เลยไม่ไม่ไม่ฟุ้งซ่านไปเรื่องอื่นอเนี่ยก็ถูกต้องแล้วค่ะก็จะพยายามทำอย่างนั้นเพราะว่ามันเหมือนบางคนที่ บอกว่าได้นั่งสมาธิถึงขั้นนู้นขั้นนี้โยมไม่รู้หรอกว่าถึงขั้นไหนขั้นไหนเป็นยังไงแต่โยมจะรู้สึกว่าเออเวลาโยมนั่งถ้ามันฟุ้งไปนั้นเราก็จะน้อมถึงพระพุทธเจ้าที่เออเหมือนเราดูหนังว่าเออท่านสําเร็จอยู่ต้นโพเราก็นึกถึงถ้าท่านนั่งว่าเออท่านนั่งสมาธิอย่างนี้ความรู้สึกอย่างนี้อะไรเงี้ยก็จะน้อมถึงแค่นั้นแต่ว่าโยมก็ไม่ ได้นั่งสมาธิไปถึงเออขั้นที่อะไรต่ออะไรชยมไม่รู้เรื่องอย่างนั้นโยมแค่สนใจก็รอดนะน่ะค่ะก็อย่างนั้นแล้ค่ะบางคนค่ะบางคนก็นั่งถึงแบบเออได้ขั้นนู้นขั้นนี้ขั้นนี้นั่งสมาธิยาวลึกถึงกันนู้นนันนี้ตัวเบาตัวพองตัวลอยโยมไม่เคยเป็นอย่างนั้นไม่เคยไม่เคยเห็นเป็นอย่างนั้นแต่ว่าจะรู้สึกว่าเออเรานั่งตรงนี้จิตเราฟุ้งแล้วนะเราก็น้อมถึงกับพระพุทธเจ้าว่าเอออันนี้คือรับธรรมะท่านมาเรารู้สึกอาการคือได้ได้ได้ ได้รู้สึกว่าการประการของท่านเวลาท่านนั่งท่านสงบรายเล็กก็คิดถึงแค่นั้นนะคะไม่ได้แบบอไรอย่างนั้นไม่รู้ถูกต้องไหมว่าถูกต้องแล่าค่ะค<อ>่ะนะคะ